พระบัญญัติ 1,195 ก็ภิกษุณีใดใช้เครื่องประดับของสตรีต้องอบัตตาจิตตีเรื่องภิกษุณีชัพัีจบ